ห้ามใจได้แล้วจะได้อะไรห้ามใจได้จะได้ใจที่สบายห้ามใจล้มเหลวจะล้มเหลวทางความสุขใจทุกคนจะยึดความรู้สึกผิดถูกบางอย่างไว้เป็นเหตุให้ต้องฝืนใจเมื่อต้องทำผิดส่วนจะอยากห้ามใจแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับรู้หรือไม่รู้ว่า ห้ามใจแล้วจะได้อะไรห้ามใจไม่ตามเพื่อนไปตกปลาแล้วได้อะไรห้ามใจไม่่วยโอกาสโกงลูกค้าแล้วได้อะไรห้ามใจไม่ทำมิดีมิร้ายลูกสาวเขาแล้วได้อะไรห้ามใจไม่โกหกเอาตัวรอด er แล้วได้อะไรห้ามใจไม่ลองอยาที่ว่ากันว่าจะพาขึ้นสวรรค์แล้วได้อะไร คิดออกแค่ได้แต่เสียดายอันนั้นธรรมดาโลกต้องถูกดูดเข้าวังวนทุกข์กันต่อไปแต่ถ้าคิดออกว่าได้ความสบายใจอันนี้เริ่มไม่ธรรมดาไม่ต้องเข้าทางไหลลงเหวกับคนอื่นแล้วเรื่องที่ทิ้มแทงใจให้รู้สึกผิดได้สืบไปสืบมาก็มักเกี่ยวกับศีลห้านั่นเอง นั่นเพราะอะไรเพราะผิดศีลเมื่อใดมโนธรรมก็บาดเจ็บเมื่อนั้นมโนธรรมเป็นธรรมชาติติดตัวมาตัเกิดเป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์สร้างขึ้นจากกรรมเก่าที่ส่งมาเข้าท้องมนุษย์ดังนั้นเมื่อมีเรื่องยุ่ออารมณ์ให้ได้พิสูจน์ใจว่าจะยังอยากรักษามโนธรรมไว้หรืออยากปล่อยให้แตกพัง คุณจึงปลื้มเมื่อห้ามใจสาเร็จหรือสับสนเคร่งเครียดเมื่อยักแย่ยักยันและรู้สึกแย่เป็นทุกข์เมื่อปล่อยใจเลยตามเลยทบทวนดูก็รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแรกๆเมื่อต้องฝืนใจผิดศีลคุณจะรู้สึกกรวนกระวายไม่สบายใจเหมือนอ่อนแอปวกเปียกแต่พอหลายครั้งเข้า จะรู้สึกฝืนน้อยลงกระทั่งไม่ฝืนเลยนั่นเพราะใจแข็งขืนคือไม่ใช่เข้มแข็งแต่เป็นแข็งกร้าวกระด้างเย็นชาแบบคนพยายามลืมรากความรู้สึกที่ใช่พอกูณกำแพงอัตตาผิดผิดขึ้นมาเพื่อบังหน้าบังตาเดิมๆของตัวเองเอาชนะตัวเองด้วยการสําราคในใจว่า ทำไปหนะดีแล้วผูกแล้วไม่ทำก็โง่ไม่เอาก็ไก่อ่อนน่ะสิทำผิดจนไม่ต้องฝืนใจไปนานนานจิตจะมืดบอดจนหันหลังให้ศีลเต็มตัวได้ยินเรื่องศีลแล้วตะครันตะครอหรือออกอาการอยากโหรอเยาะเย้ยทีเดียว คุณจำเป็นต้องฟังใจตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าเอาทต่ไหลาตามความคิดประเภทเอาทถนะใครๆเขาก็ทำกันเพราะความจริงคือยังมีคนอยากรักษาศีลอยู่มากทั้งที่ไม่ใช่ชาวพุทธด้วยซ้ำถ้าฟังใจตัวเองแล้วปรากฏว่ายังเห็นดีเห็นงามตามศีลธรรมอยู่คุณจะสะดับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ ไม่มีม่านหมอกบังใจนั่นคือศีลเป็นสิ่งที่มีผลมีอนิสงส์เช่นเมื่อห้ามใจจากสิ่งยั่วยุรักษาศีลได้ก็จะเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนใจอยู่ในปัจจุบันมีความสงบอกสงบใจเป็นสุขเป็นสมาธิได้บรรลุถึงแก่นสารล่วงทุกขทางใจเสียได้ไม่รู้สึกสูญเปล่า กับการเป็นชาวพุทธข้อนี้สรุปความจากสีลสูตรนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้เชื่อว่ากรรมมีผลก็จะอุ่นใจว่าเราได้รักษาเสียงดีแล้วเป็นเหตุให้ไม่อัตคัดขัดสนเมื่อมีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงในทางดีเมื่ออยู่ต่อหน้าชุมชนก็สบายใจไร้ความประมา เมื่อจะต้องตายก็ตายอย่างคนรู้สึกปลอดภัยและสุดท้ายคือได้ไปสู่สุคติภูมิจริงๆไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายข้อนี้สรุปความจากปาตะลิคามิยสูตรเพื่อจะรับอานิสงส์อันบริบูรณ์จากศีลอยากแค่ยืนยันกับคนอื่นว่า ฉันเป็นคนถือศีลแต่ให้ถามตัวเองดีๆว่ายังมีความทุกข์กับการต้องห้ามใจกี่เรื่องที่ผ่านมามีความสุขกับการห้ามใจสำเร็จกี่ครั้งเมื่อถามตัวเองอยู่สำรวจเห็นตัวเองอยู่ยังต้องกัดฟันหน่อยๆ ห, หรื อ, อยังจุกอกอยู่มากๆ ก, ก็คือรู้ตัวได้ว่ายัางไม่รักษาศีล ยังไม่อยากอยู่กับศีลจริงยังไม่กล้าบอกใครเต็มปากว่าศีลคือเหตุแห่งสุขยังไม่ใช่ผู้เที่ยงที่จะรู้แจ้งซึ่งอ น, นิสง์แห่งศีลแต่ถ้าเต็มใจสบายอกไม่ฝืดฝืนเลยคุณจะรู้สึกถึงออร่าแห่งการเป็นคนถือศีลรู้สึกผ่องแผ้วน้อยผ่องแผ้วมากผ่องแผ้วบริบูรณ์ มั่นใจอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องถามใครว่าความสุขจากการถือศีนั้นแสนดีขนาดไหน